ปฏิจจสมุปาถึงหน้าห้าร้อยแปดสิบห้าอันนี้พระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับท่าทั้งหลายนะ ตัวธาตุทั้งหลายในนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของสังคธาตุทั้งหมดสังค ธ, ธรรม <c oughs> โรงบอกว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> เพราะอาศัยาธาตุนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตตะ เพราะอาศัยสัญญาณานัตตาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งสังกปะนานัตตาเพราะอาศัยสังกปะนานัตตาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งภัสสนานัตตาหรือภัสานานัตตาเ <c oughs> พราะอาศัยภัสสนานัตตา จึงมีการเกิดขึ้นแห่งเวทนานานตะเพราะอาศัยเวทนานานตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งฉันทานันตะเพราะอาศัยฉันทานันตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริปริราหานันตะเพราะอาศัยปริราหานันตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนานันตะเพราะอาศัยปริเยสนานันตะ จึงมีการเกิดขึ้นแห่งลาภานันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุนานันตะเป็นอย่างไรเล่าธาตุนานัตะคือรูปธาตุสัทธาธาตุคันธาตุรสธาตุโภทภธาตุธรรมธาตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าธาตุนานัตะ ดูตัวนานัตตนี้นะจะโยงไปถึง <c oughs> ก่อนที่ผู้เจ้าจะตัดเรื่องของไม่ไม่ยึดถือซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานตรงนั้นก็จะอธิบายเรื่องเอกภาวะนานาภาวะสัพพ ภ, ภาวะตรงนี้ดูก่อนพิษุทั้งหลายเพราะอาศัยธาตุนานัตตจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตต เพราะสายสัญญานานัตตาจึงม <the ram> <eds> ีการเกิดขึ้นแห่งสังกปะนานัตตาไล่มาจนถึงปริลาหะเพราะอาศัยปริลาหานานัตตาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนานานัตตาเพราะอาศัยปริเยสนานานัตตาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งลาภะนานัตตาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยรูปธาตุจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสัญญา เพราะอาศัยรูปสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสังกปะเพราะอาศัยรูปสังกปะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสัมผัสรูปสัมผัสสะการสัมผัสซิ่งรูปเพราะอาศัยรูปสัมผัสสะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปสัมผัสจัชนาสัมผัสชาสัมผัสชาเวทนา เวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางรูปเพราะสายรูปสัมผัสสชาเวทนาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปัจฉันท์เพราะสายรูปปัจฉันท์จึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปาริราหะเพราะสายรูปปาริราหะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปปาริเยสนาเพราะสายรูปปาริเยสนาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปลาภะ ดูก่อนพิษุจทั้งหลายอย่างนี้แลที่เรากล่าวว่าพ่อสัยธาตุนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตตะไล่มาจนถึงลาภา น, านัน ต, ตะ <c oughs> เ, รเรามาดูทีละอันอย่างนี้ธาตุนานัตตะก็คือธาตุนานาชนิดเลย จึงมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญานานัตตะสัญญาในที่นี้ก็คือความหมายรู้ปกติเราจะดูที่พรุทธเจ้าท่านตรัสว่ารูปคือลายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญาดูตัวสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในกรณีนี้ก็คือความหมายรู้ในธาตุต่างๆเวลามีธาตุดินน้ำไฟลมเราต้องมีมีการหมายรู้ในธาตุนั้นด้วยว่ารู้จักว่าธาตุนั้นคืออะไรนะ มันมีตัวธาตุแล้วก็มีความหมายรู้ในธาตุนั้นอย่างเราจับปุ๊บเนี่ยหมายรู้ว่านี่เป็นของแข็งเนี่ยนะคือความเข้าไปหมายรู้ในธาตุเพราะอาศัยความหมายรู้ในธาตุจึงมีความเกิดขึ้นแห่งสังกปะนานันตะเวลาจิตจะปรุงแต่งอะไรไปเนี่ย <c oughs> จิตจะปรุงแต่งจากความหมายรู้ในธาตุและปรุงแต่งจากตัวธาตุต้องมีตัวธาตุก่อนจึงจะมีการปรุงแต่งขึ้นมาได้นะมีตัวธาตุหมายรู้ในธาตุแล้วก็ปรุงแต่งธาตุนั้น อย่างเราจะคิดอะไรไปก็ตามเนี่ยมันก็จะคิดภายใต้สิ่งที่ที่ธรรมชาตินี้มีตัวธรรมชาติเนี่ยคือธาตุนา น, นตะและเราก็เข้าไปหมายรู้ในธาตุนั้นแล้วก็มีการปรุงแต่งซึ่งธาตุนั้นนะเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเราก็ต้องนึกคิดในเรื่องของไม้ของเหล็กของอะไรพวกนี้ก็คือตัวธาตุดิน แล้วเราก็เข้าไปรู้หมายรู้ว่าสิ่งนี้คือไม้สิ่งนี้คือเหล็กสิ่งนี้คืออันนั้นอันนั้นนะแล้วก็เอามาปรุงแต่งปล่อยสายสังกปะนานัตตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งภาษานานัตตะ <c oughs> พอมีการปรุงแต่งขึ้นมานะภาษานานาชนิดก็เกิดขึ้นก็เลยมีมีภาษานานาชนิด <c oughs> จะเป็นภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เพราะอาศัยภาษานานาชนิดจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเวทนานานัตตาพอมีภาษาปั๊บก็เวทนาก็จะเกิดละว่าเราพอใจกับภาษะตรงนั้นไหมภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมีเวทนา น, านัตตะขึ้นมาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งชันทะนานัตตา พอเวทนาเกิดขึ้นมาก็คือมีฉันทะความพอใจนานาชนิดขึ้นมาจริงๆมันก็แทบจะติดกันเลยนะเพราะตัวเวทนาก็ <c oughs> คือสุบทุกอุบเบกขานั่นเองนะเราก็มีความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นพอใจในอารมณ์ น, นั้นก็มีการติดตามต่อเนื่องเวทนานั้นต่อไปเพราะสายฉันทะนานัตตาจึงมีการเกิดขึ้นแห่ง ปริลาหา น, านันตะตัวปริลาหาก็คือตัวตัวตัณหานั่นเองนะในนี้ก็จะวงเล็บไว้ให้คือความร้อรนร้อนนานาชนิดนะนั้นเมื่อพอใจแล้วก็จะเกิดการที่เรามีความต้องการสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะอาศัยปริลาห า, านานตะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งปริเยสนานันตะปริเยสนาก็ค <stretched S 2> ือ แสวงหาอย่างเราดูแคตตาล็อกเสื้อผ้าโอ้ผ้านี้สวยนะภาษะกระทบปั๊บเกิดเป็นาพอใจนะฉันทถ้าพอใจมาเกิดปริลาหะอยากได้เสื้อผ้านี้ก็เกิดการแสวงหายันนี้ก็ไปห้างนะไปหาซื้อมีการแสวงหาเมื่อแสวงหาแล้วก็จะเกิดลา้านาั น, นตะการได้ขึ้นมา จ่ายเงินซื้อได้มาเพนะราะฉะนั้นเวลามีผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนาผัสสะทางตาไปกระทบรูเพราะนั้นสิ่งที่กระทบนั้นมันก็ต้องมีตัวธรรมธาตุนั้นก่อนมันก็ต้องมีเสื้อผ้าก่อนตัวเสื้อผ้าก็คือตัวธาตุดินนะต้องมีตัวธาตุก่อนแล้วเข้าไปหมายรู้ในธาตุแล้วจึงมีผัสสะในธาตุนั้นๆขึ้นมา นะแล้วก็มีความพอใจในษะที่ไปรับสัมผัสท่านนั้นๆครูเจ้าก็แบ่งละเอียดมากท่านก็เลยบอกว่าธาตุนานัตตะเป็นอย่างไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมรงค์นี่คือธาตุนานัตตะนะที่เข้าไปเกิดการหมายรู้ในธาตุนั้นหมายรู้ในรูปธปาตุ หมายรู้ในกลิ่นหมายรู้ในเสียงนะในกลิ่นในเสียงในรสนะ <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็ยกตัวอย่างเพราะอาศัยรูปธาตุนะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปรสัญญาความหมายรู้ในธาตุเนะพราะอาศัยรูปรสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งรูปรสังกัปปะ การปรุงแต่งในรูปแนละหมายรู้ปรุงแต่งปรุงแต่งก็มีสัมผัสขึ้นมานะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสปั๊บก็มีเวทนาอันเกิดจากสัมผัสนะมาผสมกันรูปประสัมผัสสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางรูปมีฉันทะความพอใจนะในสัมผัสทางรูปนั้น แล้วก็มีปริราหาะความเร่าร้อนเพราะรูปแล้วก็มีปริเยสนาสแสวงหารูปแล้วก็มีราภะการได้มาซึ่งรูปเพราะฉะนั้นการจะได้มาซึ่งสิ่งใดเนี่ยถ้าสาวกลับลงไปก็จะมีเหตุปัจจัยตามนี้นเกือบทุกเรื่องเลยอาศัยเหตุปัจจัยตรงนี้ได้ทีนี้พัสดุ ต, ต่ตอนเนื่องมา ที่เป็นลักษณะต่อเนื่องกันก็นกคือดูก่อนพิกษุนทั้งหลายกา ร, รมวิตกมีธรรมเป็นธรรมมีนิฐานะคือมีธรรมเป็นเหตุนิฐานะชาติกะปัปภวะสบุไทยเหตุปัจจัยอันนี้แปลว่าเหตุเหตุเกิดเหตุหรือเหตุเกิดแปลเหมือนกันใช้ได้หลายคําไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีนิฐานะดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายข้อนี้เป็นอย่างไรเล่า ดูก่อพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยกรรมธาตุจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมสัญญานะ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนจากธ า, านนันตะไปละระบุไปถึงตัวตาหูจมูกลิ้นกาย5้าอายจนะของกายก็คือตัวกรรมธาตนะุหรือตัวดินน้ำไฟลมนั่นเองเพราะอาศัยกรรมธาตนะุจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมสัญญาเพราะอาศัยดินน้ำไฟลมมหาปุถุธาตุสี่ อันนี้อาตมาก็วงเล็บโยงไว้ให้ว่าให้ไปดูในหน้า964อริยสัจจากบทภาคปลายจะเป็นการอธิบายตัวกรรมอาธาตตรงนี้ว่าหมายถึงตัวธาตุสี่ดินน้ำไฟลม <c oughs> จึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมสัญญาความหมายรู้ในธาตุนั้นและจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมสังกปะนะความตริตึกนะในตัวกรรมาธาต เพราะอาศัยกรรมสังกปะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมฉันทะความพอใจในกรรมเนะพราะอาศัยกรรมฉันทะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมมปริลาหะความร้อนร้อนเพื่อกามเพราะอาศัยกรรมมปริลาหะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งกรรมมปริเยสนาการสแสวงหากามดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งกามย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะสามคือโดยกายโดยวาจาและโดยใจ เพราะฉะนั้นเวลาผู้เจ้าให้ความคำจำกัดความในเรื่องการผู้เจ้าก็บอกว่าความกำหนัดไปตามอํานาจอํานาจความตรีตรึกนั่นแหละคือการของคนเราสังกัปปาราคะสังคัปปาราคะคือพอใจการพอใจในการปรุงแต่งอันมีเหตุเกิดมาจากตัวกรรมธาตุหรือตัวกรรมสัญญานั่นเองนั้นคําของผู้เจ้าก็จะสอดรับเชื่อมรับกันในตรงนี้อีกเหมือนกัน <c oughs> นั้นเวลาอาศัยกรรมคุณก็คือตาหูจมูกลิ้นกายห้าอายจตนะนี้มีการรับสัมผัส ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลดตภัณพนะแล้วเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราพอใจในการปรุงแต่งก็เรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นกรรมนะที่ปรงุงแต่งว่า <c oughs> ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่การมไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความตรึกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตัวรูปเสียงกลิ่นรสที่สวยงามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่กามแต่มัน มีอยู่ของมันอย่างนั้นแต่การที่เราเข้าไปพอใจนะแล้วเกิดการปรุงแต่งและพอใจในการปรุงแต่งนั่นแหละคือกามพระเจ้าแยกกามกับกามคุณออกจากกันตัวรูปเสียงกิริทั้งหลายเรียกกามคุณในอริยวินัยนี้เรียกว่ากามคุณอันนี้คือบทสรุปเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องการมที่พุทธเจ้าได้สรุปเอาไว้ว่าความกําหนัดไปตามอํานาจความตรึ ก, ร ก, รกนั่นแหละคือกรรมของคนเราอารมณ์อันวิจิตในโลกทั้งหลายนั้นหาใช่กามไม่ทีนี้เหตุปัจจัยต่อไปท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนคข ม, มวิตกก็เป็นธรรมมีเหตุเกิดไม่ใช่เป็นธรรมไม่มีเหตุเกิด เป็นธรรมีนิฐานะนะี่คือเหตุเกิดไอ้ตัวเนคขมมะเนี่ยการหลีกออกจากกามเนี่ยมันก็มีเหตุเกิดของมันดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยเนคขมมะธาตุธาตุเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกในการหลีกออกจากกามเพราะฉะนั้นธรรมธาตุนี้ก็มีอยูนะ่จึงมีการเกิดขึ้นแห่งเนคขมัสัญญานะความเข้าไปหมายรูนะ้ความเข้าไปหมายรู้ใน เนคขมธาตุสัญญาหมายรู้ตรงนี้เพระ A าะสายเนคขมสัญญ า, จ, า, า, า, า, ญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเนคขมสังกปะการปรุงแต่งความติดตึกในเรื่องของเนคขมะเพราะสายเนคขมสัญญาจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเนคขมฉันทะความพอใจในตรงนั้นเหมือนเราพอใจในอุเบกขาอย่างนี้เพ ร, ะおおพระาะสายเนคขมฉันทะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเนคขมปริลาหะ ความเราร้อนเพื่อเนคขมมะนั้นเราก็อยากจะาทาสมาธิเรื่อยๆอยากจะสงบเพราะใส่เนคขมมะปริลาหะจึงมีการเกิดขึ้นแห่งเนคขมมะปริเยสนะเพราะว่าเราอยากจะสงบอยากจะอยู่เบกขาเราก็จึงมีการสแสวงหาซึ่งเนคขมมะสแสวงหาอยู่ซึ่งความสงบ ดูก่อนพิสูงหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งเนคขมะย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะ3มคือโดยกายโดยวาจาโดยใจเมื่อยมต้องการความสงบย่มก็เข้ามาปฏิบัติศีลเช่นศีล5้าศีลอวบสดนั่นก็คือยมเริ่มมีกายวาจาใจที่ถูกต้องละนะเพราะยมต้องการออกสแสวงหาความสงบลีกออกจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายอย่างนี้ ต่อไปตรงนี้ก็เป็น <c oughs> ปฏิจจสมุปาแห่งการรบราฆ่าฟันกันหรือว่าการทะเลาะเบาแวงกันดูก่อนอนุน์ก็ด้วยอาการดังนี้แลเพราะอาศัยเวทนาจึงมีตัณหาดูนะก่อนที่เวทนามาตัณหาแล้วจากตัณหาไปอุปทานเนี่ยมันมีอารมณ์อีกตั้งเก้าอาการนะ จึงมีอะไรเพราะสายตัณหาจึงมีการสแสวงหาเพราะสายการสแสวงหาจึงมีการได้เพราะสายการได้จึงมีความปรองใจรักสแสวงหาในปริเยสนาการได้ลาโภปรองใจรักวินิจฉโยเพราะสายความปรองใจรักจึงมีความกำหนัดด้วยความพอใจเพราะสายความกำหนัดด้วยความพอใจจึงมีความเสียบโมเมา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 ทำอันเป็นบาปอกุศลเป็นนเรกย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยกันอย่างนี้ข้อความเช่นนี้เป็นข้อความที่เราได้กล่าวไว้แล้วนั้นเวลามีความพอใจปุ๊บจะมีความอยากก่อนอยากจะไปยึดเนี่ยก็มีอะไรสแสวงหาได้ปลงใจรักกําหนัดด้วยความพอใจนะเสียบโมเมาจับอกจับใจจะหนีห่วงกันเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน แล้วเราลองตรวจดูอาการของจิตเราทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นไปตามนี้เลยแต่แล้วแต่เร า, าจะสังเกตทันหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเกิดการทะเลาะเบาแว้งหรือดุด่าว่ากล่าวใครเนี่ยมันลองไล่มาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราพอใจอะไรไม่พอใจอะไรนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความพอใจไม่พอใจมันจะเกิดปัญหาได้ทั้งสิน้นนะพเจ้าจึงให้ฝึกวางอุเบกขา ท่าน ต, ตอบว่าดูก่อนอโนนข้อความนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้เห็นไหมผู้เจ้าจะสอนพระนลว่าเธอจะอธิบายธรรมะยังไงเธอต้องอธิบายอย่างนี้นะพระนลก็ทรงจําไว้เพราะผู้เจ้าจะเป็นคนที่ <c oughs> เมื่อรับสัมผสัมผสรธรรมชาติใดๆแล้วจะเป็นคนที่อธิบายได้อย่างละเอียดถูกต้องไม่มีรูร่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นอะไรที่ผู้เจ้าต้องการให้มันเป็นธรรมะที่ สมบูรณ์บริบูรณ์นะก็จะบอกกับอานนท์ไว้อานนท์อธิบายเรื่องนี้อย่างนี้อนน์อธิบายเรื่องนี้อย่างนี้ น, น, น, น, นะดูก่อนอนอน์นะที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าทําอันเป็นบาปอากุศลเป็นใ น, นกล่าวคือการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามึงๆึงการพูดคําส่อเสียดการพูดเท็จทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกิดจากการห่วงกั้น <c oughs> ย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพราะอาศัยการห่วงกั้นดังนี้ดูก่อนอนอนท์ถ้าหากว่าการห่วงกั้นจะไม่ได้มีแกลแก่ใครใครในที่ไหนไหนโดยทุกชนิดโดยทุกอาการแล้วไซเมื่อการห่วงกั้นไม่มีเพราะความดับไปแห่งการห่วงกัน้นโดยประการทั้งปวงแล้วทาอันเป็นบาปอากุศลเป็นนรกกล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคม การทะเลาะการแก่งแย่งการวิวาสการกล่าวคําหยาบว่ามึงๆการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จทั้งหลายจะเกิดขึ้นพร้อมได้หรือไม่หนาะพระนุะ น, นก็บอกว่าไม่ได้ดูก่อนอนอนทเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานนั่นแหละคือสมุ ท, ทยัยเห็นไหมครูเจ้าใช้คําเดียวกันตัวเหตุเนี่ยเหตุนิทานะสมุ ท, ทยัยปัจจัยนะล้นแปลอันเดียวกันหมดเหตุเกิด นี่แหละคือปัจจัยของความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมเป็นบาปอกุศลเป็นอเนกเหล่านี้กล่าวคือการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการกล่าวคําหยาบว่ามึงๆการพูดส่อเสียดและการพูดเท็จนั่นคือการห่วงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการห่วงกันโดยประการทั้งปวงเนี่ยการทะเลาะจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นปัญหาต่างๆมันเกิดมาจากการห่วง การตระหนี่เมื่อตระหนี่ก็หวงกันนั้นไปดูเหตุปัจจัยของการห่วงกันคือลายตระหนี่เมื่อตระหนี่ก็เริ่มมีการห่วงกันเมื่อห่วงกันปุ๊บก็เริ่มมีการทะเลาะเบาะแวงนข้าฟันกันอย่างนี้คร <c oughs> ูเจ้าก็ไล่ลําดับสาวสายปฏิจจคขึ้นไปนบอกดูก่อนนนท์ก็คํานี้ว่าเพราะอาศัยความตระหนี่จึงมีการห่วงกัน นะดังนี้เช่นนี้แหละเป็นคำที่เรากล่าวนะฉะ น, นั้นในประเด็นสำคัญเมื่อความตรรยีไม่มีเพราะความดับไปแห่งความตรรนีโดยประการทั้งปวงแล้วการห่วงขั้นการห่วงกันกงก้นจะมีขึ้นมาจะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอนะนี่แหละคือเหตุของการห่วงกัน้นคือความตรนยีเพราะนั้นอย่าง <c oughs> กระโถนใบนี้ ถ้าอาตมาห่วงนะไม่อยากให้ใครยืมมันเป็นเพราะเหตุอะไรใช่ไหมก็เพราะอะไรอาตมามีความตนันหนีเลยมีการห่วงกันถ้าอาตมาไม่ตนันหนีแล้วอาตมาจะมาห่วงกันกระถนแบบนี้ไหมจะไม่ห่วงกันเพราะไม่ตนันหนีอยากได้ก็เอาไปสิใช่ไหมเมื่ออยากได้ก็เอาไปเราจะมาห่วงทําไมเราก็ไม่มีเหตุปัจจัยของการห่วงไม่มีนะ ตนีเพราะอะไรตนีเพราะจับอกจับใจจับอกจับใจเพราะอะไรเพราะใช้มันทุกวันพอใช้มันทุกวันปุ๊บอาตมาใช้กระถนใบนี้ทุกวันมีพระมาเปลี่ยนกระโถนอาตมาอาตมายังรู้เลยใครเปลี่ยนกระโถนเราเนี่ยเราใช้ใบนี้ทุกวันมีตาหนิกระโถนใบนี้ใช่ไหมรู้และใช่อืมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจับอกจับใจไหม ừ ừ. ช้อนช้อนทานอาหารอาตมาอาตมาตักอาหารมาสิบหกสิบเจ็ดปีนะตักมาด้วยช้อนอันนี้เสร็จวันนี้มันมีช้อนอะนนไอรวัเ น, นี้มันไม่ใช่ช้อนเราเนี่อาตมาก็โวยวายขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ช้อนเราเนี่ใครล้างช้อนเราช้อนเราหายไปไหนช่วยหาหน่อยใช่ไหม เราก็สาวหาไล่หาเพราะอะไรเพราะเกิดการห่วงก้านเกิดการจนันดีเกิดการจับอกจับใจใช้มานานใช่ไหมอ่าอย่างนี้มันก็เป็นเหตุมาหมดเลยเห็นไหม <c oughs> เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาโยมมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยสาวสายปฏิจจะไปได้เลยนะมันมาจากตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นถ้า เราระวางการหวงกั้นอะไรนะหรือระวางความจับอกจับใจความตนหนีไปได้เนี่ยการทะเลาะเบาะแวงก็จะไม่มีนะอันนี้พูเจ้าก็สาวเหตุปัจจัยไปสาวไปสาวไปสาวไปนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหตุปัจจัยแรกนั่นแหละนะก็คือตัวเวทนาทำให้เกิดตัณหา นั้นถ้าดับตัญหาได้การสแสวงหาได้ปรองใจรักกําหนัดด้วยความพอใจลายจบหมดเลยนะหรือว่าดับเวทนาได้พอยมพอใจลายปุ๊บยมวางความพอใจทันทีความอยากก็จะไม่มีสแสวงหาได้ปรองใจรักพวกนี้ก็ล้มไปทั้งหมดเลยน ะ, น ะ, อ, ะอันนี้ก็อธิบายไว้เท่านี้ก่อนเนาะ